ปัญญัติ 1,091 ก็ภิกษุณีใดบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายตุต่ำกว่า12ปีต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูป